ราชมงคลทัญบุรีเอฟเปุเมกะเฮิร์ตเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตศูนย์นวัตรกรรมความรู้ RMU TT Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีเปิด่วนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วที่นี่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 เล่าหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจในอดีตกับรายการเรื่องเก่าที่เรารักสวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้รายการเรื่องเก่าที่เรารักก็กลับมาพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5 m h z นะครับแล้วก็ผมยัอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณต้นต่อนะครับวันนี้เราเปิดรายการด้วยเพลง ฮักสาวขอนแก่นของอเวอร์ชั่นของคุณถนอมสามโทนไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมวันนี้รายการของผมถึงเลือกเพลงลูกทุ่งมาเปิดเพราะว่าวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเพลงลูกทุ่งในอดีตแล้วก็แวดวงของวงการลูกทุ่งนักร้องลูกทุ่งทั้งหญิงและชายนะครับฮะซึ่งคนคุณต้นตอเองก็มีความเชี่ยวชาญมีความชื่นชอบในเพลงลูกทุ่งอยู่พอสมควรใช่ไหมครับครับ อ, อยากให้คุณ คุณต้นต่ อ, อพูดถึงเพลงลูกทุ่งในความรู้สึกสักนิดหนึ่งครว่าสําหรับคําว่าเพลงลูกทุ่งหรือว่าองค์การนักร้องลูกทุ่งเนี่ยให้ความสิ่งไงกับคุณต้นบ้างสําหรับเพลงลูกทุ่งใช่ไหมฮะก็คือเหมือนกับเป็นอะไรที่แบบสะท้อนวิถีชีวิตนะครับคนบ้านบ้านบ้านา น, นอกอะไรสมัยก่อนเนี่ยก็จะเหมือนเป็นการแบบบอกเล่าผ่านเพลงออกมา ให้เราได้เห็นภาพอาจจะเป็นท้องตุ่งท้องนาะอาจจะเป็นการใช้ชีวิตของชาวบ้านคะไรอเนี่ยนะให้เราได้เห็นก็คือมันเป็นการเล่าเรื่องราวแบบซื่อแบบตรงซื่อตรงๆใสๆเลยซึ่งจะ แต่ต่างจากเพลงสตริงหรือว่าเพลงสากลที่เขาจะมีความซับซ้อนอมีเล่นนิด<ช>นึงนะแต่ว่าสเสน่ห์ของเพลงลูกุนี้ก็คือความใสความซื่อภาษาที่ใช้ใช่ภาษาที่ใช้เป็นยังไงคุณต้นก็จะเป็นภาษาบ้านๆฟังแล้วเข้าใจง่ายๆอย่างนี้นะขอฟังแล้วเราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะก็คือเกลียดเราก็บอกมาเลยว่าเกลียดนะรักเราก็บอกว่ารักไปเลยตรงๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะคือเขาจะบอกในเพลงอยู่แล้ว สามีมีเมียน้อยก็บอกตรงต อ, อ่าใช่ครับจะมีเมียน้อยมีเมียกี่คนก็จะบอกตามนั้น <consists of alcohol ism> น้ำตาเมียหลวงอ่าใช่ใช่ <g? S 1> ครับเอ่อเอกลักษณ์ของเพลงลูกทุ่งเนี่ยอย่างที่บอกนอกจากความใ ส, ส่ซื่อความชัดเจนในเรื่องของภาษาแล้วนะมันยังมีอะไรนอกเหนือจากนั้นอีกไหมครับคุณต้นคือเพลงลูกทุ่งเ น, <c oughs> <c oughs> นี่ยผมว่าเป็นเพลงที่ฟังง่ายนะครับเข้าถึงได้กทุกคนอืะถ้าจะฟังเพลงง่ายฟังเพลงแบบ ฟังให้อินอย่างเงี้ยนะฟังแล้วแบบสบายๆก็ฟังเพลงลูกทุ่งไม่ต้องคิดอะไรเยอ ะ, ะซึ่งเพลงลูกทุ่งนี้เขามีการแบ่งแยกประเภทไหมครับว่ามันจะเป็นลูกทุ่งปร ะ, ประเภทนั้นประเภทนี้มีไหมครับลูกทุ่งผมว่าสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่แยกประเภทถูกไหมอาจจะไม่มีลูกทุ่งลูกกรุงร้ออาจจะฟังมาแบบประมาณนั้นนะนะเท่าที่เท่าที่ทราบมาเท่าที่เราฟังมานะครับก็ เ, เพิ่งจะมาแยกชัดเจนอยู่ ประมาณไม่กี่ปีหลังมานี่ที่ยังมาชัดเจนบางคนก็บอกว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นเพลงทะลึ่งเป็นเพลงที่มีความสองแน่สองน้าด้วยจริงหรือเป่าก็มีบ้างนะครับมีบ้างมีบ้างอย่างเช่นเวทวิเศษเมื่อก่อนใช่ไหมเวทวิเศษซึ่งมี มีเนื้อหาที่มันค่อนข้างร่อแหลมนะสองเน่สองน้ำจนกระทั่งถูกแบนด้วยเนาะตอนนั้นห้ามออกอากาศอยู่ด้วยนะใก็มีมีมีหลายเพลงครับหลายเพลงที่ค่อนข้างที่จะแบบออกมาสองเน่สองง้ำแล้วโดนโดนแบนใช่โดนแบนห้ามเปิดแต่ก็แปลกนะครับว่าเพลงที่โดนแบนเนี่ยยิ่งแบนก็ยิ่งดังใช่ครับเพราะคนไปสืบสอบไปหาคนพอเพลงนี้โดนแบนปุ๊บเขาก็อยากฟังแล้วว่าเอ๊ะเนื้อหามันมินเมย์ยังไงเนื้อหามันร่อแหลมยังไง ก็เริ่มไปหาซื้อสมัยก่อนก็เป็นเทปเป็นแผ่นเสียงใช่ครับเมื่อก่อนนี้อาจจะเป็นแผ่นเสียงก่อนที่จะมีเป็นยุคเทปนะฮะก็คือถ้าโดนกบวบแบรนเนี่ยยอดขายก็จะยิ่งพุ่งใช่ครับใช่ครับครับทีนี้ลูกทุ่งเนี่ยมันมีแบ่งเป็นยุคๆเนาะคุณต้นมีลูกทุ่งยุคแรกยุคกลางยุคหลังยุคปัจจุบันไงี้ลูกทุ่งยุค ยุคแรกเนี่ยมันเป็นยังไงครับทนลูกทุ่งยุคแรกสําหรับผมคิดว่าน่าจะเป็นยุคที่เป็นยังไม่แยกแบบเป็นเป็นลูกทุ่งแบบจริงๆเลยตอนนั้นก็คืออาจจะเป็นยุคของแม่ผงศรีนะครับก้านแก้วสุพรรณสมยทศทัศนพภาณในยุคนั้นนะที่ยังที่อาจจะเป็นลูกทุ่งยุคแรกๆนะครับซึ่งภาษาจะสวยงามกว่าไหมใช่ครับภาษาอาจจะสวยงามสละสลวยความละมุนละไมและมีละไมกว่าใช่ไหมฮะ ยกตัวอย่างได้ไหมคุณตน้ตอนอาจจะเป็นอ่ถ้าน้ําตากลก้นแก้วอย่างเงี้ยเคยฝากไหมครับการแกงสุพรรณน้ำตาลกลนแก้วใช่เขาจะร้อยเรียงเป็นคําสละสระ้สรยนะฮะน่าฟังค่ะอ ย, อย่างนั้นแล้วพอมาถึงยุคกลางยุคกลางยุคกลางอาจจะเป็นเอยุคไหนละ่ะ เซลีลุงสว่างในยุคที่ร้องเพลงอ่าจดหมายจากแม่อ่าโหเศร้ามากยอดรักสลักใจในยุคแรกแรกพี่เป้าสายันในยุคแรกแรกนะฮะอาจจะเป็นยุค ก, กลางๆในพวกนี้จะเป็นลูกทุ่งยุค ก, กลางๆจดหมายจากแม่นี่ตอนเด็กๆฟังแล้วแบบ ส, สะเทือนใจร้รองไห้ร้องไห้ <c oughs> <c oughs> อินตนนั้นน่ะคือโอ้ชีวิต ม, มันจารย์รันทดขนาดมากครับจะเป็นเราผูกคตายไปแล้วเป็นเรื่องราวของเฐานเกณฑ์เนาะใช่ไหมฮะอ่าเป็นเป็นเด็กบ้านนอกที่เข้าไปเป็นไป ไปอ่าเขาเรียกว่าไปอยู่วงดนตรีนะกรุงเทพไปอยู่วงดนตรีใช่แล้วก็โดนอ่าหัวหน้าวงดนตรีหลอกไม่ให้เงินบ้างอะไรบ้างห<อ><อ>ิบ<อ>ทองอไปอ่ใช่แล้วที่บ้านลําบากอะไรเงี้ยแม่ก็โทรมาอ่าส่งเงินมาให้ที่บ้านบ้างอะไรเงี้ยคิดว่าลูกอยู่ที่กรุงเทพอ่ามีเงินมีทองอะไรอย่างเงี้ยท่านที่ไหนได้ลูกอยู่ที่นี่ลาบากนะกินข้าวกับเกลือ ก, กับพริกกับผงอะไรพวกนี้นะฮะที่เราเล่ามาตามติดอ่ใช่รันทด แบบซับซ้อนมาก <laughs> นี่ฮะคือสเสน่ห์ของเพลงลูกทุ่งเพราะว่าจะเห็นได้ว่าหนึ่งเพลงเนี่ยมันหนังหนึ่งเรื่องเลยเนาะมีจุดเริ่มต้นมีไฮไลท์ของเรื่องมีจุด<ช>จบของเรื่องใช่ครับเรียกได้ว่าหนึ่งเพลงเหมือนละครหนึ่งเรื่องได้เลยนะฮะใช่ครับครั บ, รบเราผ่านยุคกลางและมาถึงยุคหลังยุคหลังวงการเพลงลูกทุ่งเป็นยังไงบ้างฮะยุคหลังๆสําหรับผมแล้วเนี่ยผมว่า ก็โอเคอยู่นะครับก็พอฟังได้แต่ว่าเนื้อหาของเพลงอาจจะไม่ค่อยเหมือนยุคแรกและยุคกลางๆนะยุคหลังนี่รวมมาถึงยุคปัจจุบันด้วยหรือเปล่าครับอาจจะใช่ครับอาจจะใช่แต่ว่ายุคหลังนี่รู้สึกว่าลูกทุ่งแท้ๆเราอาจจะหาฟังได้น้อยแล้วนะมันกลายเป็นอะไรไปแล้วครับอาจจะกลายเป็นกึ่งๆ ล, ลูกทุ่งสตริงอะไรไปอย่างนี้ประมาณนั้นเนอะซึ่งแฟนเพลงรุ่นแรกๆรุ่นสมัยก่อนหรือว่าครูเพลงเองเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสบอารมณ์นักับการเป็นรุ่นทุ่งนี้บ้างใช่ใช่อาจจะมีหลายๆหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับการแต่งตัวบ้างเกี่ยวกับเนื้อร้องอะไรที่แบบมินเมีจนเกินไปบางครั้งนะฮะดูโปไปเนื้อหามันล่อแหลมไปนื้อบางทีก็อาจจะตรงเกินไปจนทําให้รับไปได้นะอาจจะมีหลายๆเพลงที่อาจจะเคยผ่านผ่านหูมที่อาจจะโดนกระแสโจมตีว่าใช้เนื้อหาที่มันแรงไปใช่ตรงนี้นิดนึงก็คือ ในความหมายเดียวกันเป็นเพลงที่มีความเซ็กซี่มีความสงแน่สงหน้าเหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่การเลือกใช้ภาษาของครูเพลงของนักประพันธ์นะฮะที่จะทําให้เพลงนั้นมีความสัจสวยมีความไม่ดูอุจาระหูจนเกินไปต้องพูดอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าบางเพลงเนี่ยค่อนข้างล่อแหลมมากนะรวมถึงการแสดงตัวของนักร้องด้วยนะฮะซึ่งมันทําให้วงการเพลงลูกทุ่งเนี่ย อาจจะดุนดรอปลงไปในสายตาของหลายๆคนใช่ครับสําหรับครูเพลงเก่าๆเนี่ยรู้สึกว่าท่านจะตําหนิออกมาบ่อยนะที่เป็นข่าวที่ผมได้เห็นบ่อยๆนะบางทีอาจจะเป็นเรื่องการแต่งตัวที่โป๊เกินไปนะครับและเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะแรงจนเกินไปท่าเต้นด้วยใช่ครับหลายๆ <c oughs> อย่างองค์ประกอบหลายๆอย่างนะทั้บางทีคนที่เป็นครูเพลงเก่าๆท่านรับไม่ได้บางครั้งนะท่านต้องออกมาพูดออกมาปกป้องตรงนี้ <c oughs> ต้นนี้สําคัญนะเพราะว่าบนดนตรีลูกทุ่งเนี่ยอย่างที่บอกคือเข้าถึงคนดูค่อนข้างใกล้ชิดใช่ครับลูกเด็กเล็กแดงในเวลาเขาดูกันทีเนี่ยก็พาไปทางบ้านพ่อแม่จุงลูกตัวเล็กๆไปแล้วเด็กก็ซึมซับใช่เคยเห็นเคยเห็นท่าเต้นของนักร้องบางคนออกมนเด้งหน้าที่รักกันแล้วแล้วเด็กตัวเล็กนิดเดียวห้าหกขวบขึ้นเวทีไปเต้นท่าเดียวกันใช่ฮะใช่ฮะมันเป็นอะไรที่เราดูแล้วแบบ นะแต่พ่อแม่ชอบแล้วผมเลยยืเชยอยู่นเวทีตรงนี้ก็ต้องต้องใช้วิจารณาณกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าอะไรเหมาะอะไรควรอะไรที่ดูแล้วมันสนุกก็จำไว้แต่อะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็อย่ามาทําตามอย่างนี้ดีกว่าผมว่าสังคมไทยสังคมเพลงลูกทุ่งจะได้สวยสดงดงามแล้วก็ยังคงบริสุทธิ์อยู่นะครับฮะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ของเพลงลูกทุ่งก็คือการประกวด ้น่น <ś _> <ช>ักล่องลูกทุ่งเนี่ยเกิดมาจากการประกวดหลายๆเวทีใช่ค่ <ś _> เขาว่ามีนักล่องลูกทุ่งที่ไหนจะต้องมีเวทีประกวดที่นั่น <ś _ 2> ใช่ตรงเนี้มันเริ่มมีมาตั้งแต่ในยุคแรกๆเลยใช่ไหมครับ <ś _ 2> ใช่ครับต้องมีตั้งแต่ยุคแรกๆสมัยโอ้สมัยคุณปู่เราเลยคุณปู่คุณพ่อเรานูนเนี่ยเวทีแรกแรกที่ได้พามิยมอ่ะมันคือเวทีอะไรคุณต้นจําได้ไหมสมัยก่อนเออถ้าจําได้ครับอาจจะ กับใครกับพลานะพจน์สสเจ็ดหรือเปล่าหรือที่ไหนเนี่ยมันจะสถานีวิทยุใช่ครสมัยก่อนจเป็นสถานีวิทยุไม่ได้มีเวทีแบบเชื่อใจใช่ไม่ใช่อาจจะเป็นหรือไม่ก็อาจจะเป็นวงดนตรีใหญ่ๆสมัยก่อนอาจจะเป็นจุฬารัตหรืออ่าสุรพลเขายกไปที่ไหนเขาก็จะแบบก็จะมีนักร้องที่แบบว่าอาจจะเป็นช้างเผือกในไพล์นะฮะขึ้นมาขอร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะแบบถูกใจในน้ําเสียงบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มี แล้วก็มีการตั้นต่อให้เป็นน้องได้รับความนิยมกันมาใช่คือเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่บอกคือการประกวดร้องเพลงเนี่ยมันไม่ได้มีเวทีใหญ่ก็จะเป็นสถานวิทยุอะไรต่างต่างเสียงสายอดอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับแล้วถ้วยรางวัลที่ได้ก็จะเป็นประจําสถานีนั้นๆก็มีมีถ้วยพระราชทานด้วยเมื่อก่อนนะฮะใช่ไหมครัอย่างก็เรียกได้ว่าเป็นรางวัลที่ค่อนข้างได้รับ การเชื่อถือแล้วก็ท่งคุณค่ามากๆนะฮะครับรวมไปถึงรายการทีวีในยุคต่อมาเราจะจําได้ของคุณประจวบใช่ไหมประจวบจำได้จำปลาทองรายการอะไรนะฮะชุมทางคนเด่นครับชุมทางคนเด่นซึ่งรายการนี้โอกาสทางถ้าจำไม่ผิดเป็นช่องเจช่องเจ็ใช่ใครับในยุคแรกๆจะเป็นช่อง7อ่าแล้วเสียงแกเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์นะคุณประจวบกวนอิ่มไม่รู้ ยังทุกวันนี้มีขายนะแต่ทุกคนไม่รู้ยังได้ใช้อยู่หรือเปล่าคิีมแก้ฝ้าใช่ไหมใช่ใช่ก็ก่อนก่อนเข้ารายการก็จะพูดถึงโฆษณาคนอินฮะแล้วก็เออเวทีเนี้นะครับก็สร้างักร้องที่มีชื่อหลายๆคนด้วยใช่หมหลายหลายคนฮะอย่างยกตัวอย่างคนนึงก็จะมีพิสุสุนารีราชสีมาเมื่อ่อนด์ไม่้ใช้ชื่อเมื่อ่อนด์ก้ใช้ชื่อในการประกวดว่าอ่าในการประกวดใช้ชื่อนี้เลยครับอ้าวเหรอใช่ครับใช้ชื่อนี้เลยแล้วก็มาเปลี่ยนตอนที่อ ออกอัลบั้มมา 2-3 อัลบั้มแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นทัพทิมนิยมถอง อ๋อทัพทีมนี้คือหลังจากที่าาหลังจกประกวดแล้วครับตอนประกวดใช้สุนารีเลยใช้สุนารีเลยครับสุนารีเลยนะครับแล้วก็แต่ตอนแรกๆทราบมาว่าก็คือไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่ใช่ครับก็จะไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าที่ควรอ่าครับแต่ตอนหลังก็โด่งดังโด่งดังที่เราเห็นใช่ครับใช่เลยซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยไปแล้วเนยงนแน่นเชียวครับเปิดไปไหนเห็นแกเป็นคอมเมนเตอร์ทู้รายการนะครับบางทจไม่ได้ว่ารายการไหน้โอ้เยอะมากครับออกหลายรายการครับ อนอกจากคุณพิสุกแล้วเนี่ยมีคนอื่นเห็นไหมครที่เกิดจากรายการของคุณปัจจุบก็ตอนนั้นที่แข่งกับพิสุกก็จะมีน้ำควอยพุ่มสุขนครับ <g ric an> น้ำหอยพุ่มสุ <g ric an> ก <g ric an> ใช่ครับก็ออกอารา บ, บ้ามาเยอะเหมือนกันนะออกเทปมาเยอะเหมือนกันแล้วก็จะมีสมพรเมืองแบบแรับแลนะครับหลังๆก็จะมีประกอบคําพร้อม อ, อะไรอย่างอีกหลายๆคนที่ออกมาแล้วก็มีผลงานออกมาให้เราได้ฟังแต่หายกันไปหมดแล้วใช่ครับหายกันไปหมดแล้ว ยังมีชีวิตอยู่กันใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะยังมีชีวิตยอยู่ยังมีชีวิตยอยู่ครับก็เรียกได้ว่าการประกวดอของของวาดวงถึงทุ่งเนี่ยค่อนข้างคึคกคักแล้วก็ได้รับการตอบรับจากจากผู้เข้าประกวดและผู้ฟังได้เป็นอย่างไรเลยใช่ครับใช่ครั บ, รบก็จริงๆอย่างอย่างคุณพุ่มพวงเนี่ยมาจากการประกวดว่าพี่พึ่งเนี่ยเท่าที่ทราบมานะครับท่านไม่ได้ประกวดเหมือนกับแบบ ท่านครอบครัวท่านฝากมากับวงฝากมากับวงพไวยพศนะครับมาเป็นลูกนธรรมมาเป็นหางเครื่องบ้างมาอะไรบ้างไม่ได้ประกวดที่เวทีไหนเลยยังไม่ได้ประกวดก็ไม่ได้ประกวดครับก็เขาว่ากันว่าช่วงยุคทองของวงการเพลงลูกทุ่งเนี่ยก็คืออยู่ระหว่างปี 2,504 จนถึง 2,511 ช่วงนั้นที่จะพีคมากใช่ไหมฮะหรืออก็ ช่วงนั้นอาจจะมีเพลงดัง ๆ, ๆเยอะนะคคุณสุรพลนะคร<อ>ับค<อ>ุณ<อ>สุรพ ล, รพลใช่ของยุควงจุฬาลัตอะไรอย่างเงี้ยนะสองวงสามว ง, วง อ, าอาจจะมีวงเทียนชัยอะไรเงี้ย่วงใหญ่ๆนะๆตอนนั้นนะฮะก็จะมีนักร้องดังๆหลายคนแล้วเพลงก็จะออกมาเยอะนะนักร้องแต่ละคนครับคุณสุรพลเนี่ยถือว่าเป็นนักร้องทุ่งระดับครู ใช่ครับเพลงที่ดังๆมีเพลงอะไรบ้างโอ้เยอะเลยครับเสียวไส้ของปลอมหนาวจะตายอยู่แล้ว16ปีแห่งความหลังอะไรพวกนี้นะดังทุกเพลงทุกวันนี้ยังมีคนมา cover มาร้องมาใช่ักันใหม่ใช่ครับเป็นเพลงอมตะแล้วก็ยุคนั้นนอกจากคุณสุพลมีคุณไวพ์คุณเพลินพรมแดงอ่าใช่ครับใช่ๆช่คุณการแก้วสุพันคุณภัยวันลูกเพชรแล้วก็แม่ผ่องหรือเปล่าแม่ผ่องสีานุแล้วก็ คุณสุชาติเทียนทองด้วยใช่ไหมใช่เป็นนักร้องแนวหน้าทางนั้นเลยอซึ่งแต่ละเพลงที่ที่แต่ละท่านได้ร้องไว้เนี่ยอย่างของคุณไวพจน์เนี่ยคุณครูไวพจน์เนี่ยตอนที่เรายังรู้จักกันอยู่ทุกวันนี้มีเพลงอะไรบ้างนะคุณไวยพจน์ก็ถ้าเป็นเพลงลําวงก็สารวันลําวงนะฮะแบ่งสมบัติอะไรพวกนี้เคยรู้จักไหมฮะไม่รู้จักเราไม่ทันแหละด้วยไหมท่านแหละด้วยไหมไม่ก็แหลนะฮะท่านแหลอันที่จริงเนี่ย ท่านตอนมาจะเพียงแหล่นะคุณธุสปนีเห็นมะ่านใช่ใช่ใช่โอ้คุณธุสนตอนนั้นยังเป็นสามเณรอยู่เลยมั้งฮะแล้วก็อย่างคุณเพลินเนี่ยที่บอกเพลงดังๆก็เยอะมากเพลงดังเยอะเราก็หางเครื่องเขาอลังการมากตอนนั้นนะฮะหางเครื่องเขาจะแบบออืนะแน่นนะคนก็จะไปดูกันเพราะว่าหางเครื่องเขาจะแบบชุดเขาอลังการมากนะตอนนั้นนะ อท่านดังจนถึงขนาดที่ว่าเคยเป็นพระเอกหนังด้วยนะฮะเล่นหนังไทยเล่นหนังอยู่หลายเรื่องเหมือนกันแหละเป็นพระเอกเรื่องแค้นเอพรนจำได้จำได้ใช่ไหมแล้วก็จะเล่นหลายเรื่องเล่นอีกหลายเรื่องแล้วแล้วก็อย่างคุณไพรวันเองก็เคยเล่นหนังใช่พคุณไพรวันก็เล่นมนรักแม่น้ำมูลใช่ไหมเล่นด้วยเล่นด้วยที่เห็นผมมนรักลูกทุ่งก็เล่นใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วก็ครับ เพลงที่ที่ยังจํากันได้ของคนณพายวันก็คือมูลักลุกทุ่งถูกไหมมีเพลงอื่นอื่นด้วยเนอะผมว่าเยอะนะเพ่เยอะนะเยอะนะคุณพายวันมะนาวไม่มีน้ําอะไรพวกนี้ครับอย่างแม่ผงสีก็อะไรนะ เสียงว่าดวนขบวนสุดท้ายด่วนพิสวาสด่วนพิสวาสนี่ดังมากด่วนพิศวาสเขียวใบเตยเขียวใบเราไปหาฟังดูนะครับอายนี่นึงแต่ว่าเป็นเพลงที่ผมว่ามีเสน่ห์ดีเขียวใบเตยครับแล้วก็อเนี่ยฮะก็จะเป็นยุคเพลงลูกทุ่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยมสูงนะฮะแล้วก็ อาจจะทำให้คนลุกทุ่งเนี่ยได้มีโอกาสแสดงศักย ภ, ภาพในด้านอื่นๆทั้งเล่นหนังทั้งเดินสายนู่นนัน่นนี่หลายๆอย่างนะใช่เดินสายกันทั่วประเทศเลยนะใช่ครับก็เรียกได้ว่ า, าสเสนิหของเพลงลุกทุ่งเนี่ยครบเครื่องครบรถมันมีทุกรสชาติจริง<ช>ๆเล่ทำให้แฟนเพลงแฟนคนฟังเนี่ย ยังประทับใจมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะ<ช>สำหรับคุณต้นเองมีใครที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับสําหรับผมเองก็ป้าแอครับยอดรักสลั่ใจเป็นคนบ้านเดียวกันด้วยนะเราผล ง, งานเพลงท่านก็เยอะแล้วเพลงดังๆก็เยอะมากเหมือนกันนะถึงทุกวันนี้ท่านจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าเพลงเนี่ยก็ยังเป็นอมตะยังเป็นอมตะอยู่ย<ช>เพลงดังๆ ล่องเรือหารักเนี่ยอชอบมากชอบมากใครนะๆก็รู้จักนะเพลงนี้ครับวันนี้เราพูดกันถึงแวดวงเพลงลูกทุง่งแล้วก็นะักรองรือทุ่งที่คุณต้นประทับใจนะฮะแต่ว่าเวลาวันนี้หมดแล้วยังไงเดี๋ยวเราอาจจะต้องกลับมาต่อกันใน สัปดาห์หน้าว่าแวดบนมเพลงลูกทุ่งเนี่ยสเสน่ห์และเสีสันที่เหลือเนี่ยมันมีเรื่องอะไรกันบ้างสําหรับวันนี้ก่อนจากกันผมขอลาไปด้วยเพลงสวัสดียามเช้าเสียงร้องของคุณเจนเจนที่ทําอัลบั้มพิเศษเป็นเพลงของคุณรบบุรีรัตน์นะครบทางอัลบัม้มแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบ ม, มากที่อยู่ในเพลงนี้ครับลองฟังกันดูครับแล้วก็สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ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 Armutt Radio.